เตเปรว่าท่านเมเประวะขา้าพเจ้าสวดให้ตัวเองพระท่านไปสวดในบ้านถั้งพระวันตัเตสวดประศุให้ตัวเองพวันตัเมเตเป็นเมเมเป็นเตเตเป็นเมราบริ <c oughs> แต่ตีสี่เนาะตอนนั่ง เอาทนเอาความอดทนเป็นบารมี <c oughs> ความไม่อดทนไม่เป็นบารมีคนจะสำเร็จภรารกิจที่ง่ายที่ยากทั้งหลายทั้งปวงต้องกดต้องทนพูดถึงเรื่องของใจที่กิเล่มันเกาะน่มันเปราะบางมันเอาใจใจมัน ก็ใจเรานี่แหละเราดูที่เอาใจมันง่ายไหมพระฉะนต้องมีขันติบารมีต้องมีวิริยะบารมีต้องอดเอาต้องทนเอาต้องทำเอาต้องขยันมันเพียนเอาไม่ทำเอาไม่ได้ไม่มีใครได้เปล่าสมบัติ วัตถุสมบัติทั้งทรัพสมบัติทั้งปัญญาสมบัติทั้งทรัพทั้งอริยทรัพย์ไม่มีใครได้มาปเปล่าๆมาด้วยการแลกเปลี่ยนด้วยความทุกข์ความยากความลำบากความอดความทนคนที่เข้านอนหลับได้เงนินหมื่น ตื่นได้เงินแสนคนที่เขาทำไว้แล้วเหมือนกับเรามีทรัพย์ไปฝากไว้ธนาคารนั่นแหะนอนหลับก็ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนยีม่มีมากๆดอกมันก็เพิ่มขึ้นมานอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนไปขอพรจากผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง เออนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้งเงินแสนเออลองดูสิไปงอมืองอตีนไม่ต้องทําอะไรให้มันได้มีทางคนที่คนที่ฉันได้คือคนที่ฉันพร้อมแล้วเหมือนผู้สร้างบารมีเต็มเปี่ยมเหมือนอย่างพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้านี่นอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้งเงินแสนจริงๆ ผู้ที่ท่านทำอะไรทุกอย่างเข้าถึงผลแล้วเนี่ยนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนจริงๆเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราต้องอดเอาเราต้องทนเอาความอดทนต้องมีทนหนักทนเบาทนหนาวทนร้อนทนหิวทนกระหายที่ทนสำคัญอย่างยิ่งคือทนเจ็บใจทนสู้ ทนเจ็บใจนี่ท่านถือว่าเป็นการอดทนอย่างยิ่งที่วาชนะขันติคือความอดความทนอดทนได้สบายตามมาอดทนได้ก่อนสบายตามหลังมาอดทนไม่ได้ไม่สบายตามหลังมาละไม่สำเร็จตามหลังมาไม่สุขตามหลังมาแล้มันทุกข์ตามหลังมาเพราะมันอดไม่ได้ทนไม่ได้เดียดอย่างคนผู้วาม อารมณ์ชั่ววูบวูบวามเนี่ยอารมณ์ใจร้อนอารมณ์เคยตามแต่ใจตัวเองเมันได้ดีมันไม่ได้ดีหรอกให้มันเปลี่ยนเองไม่มีทางเปลี่ยนเพราะเราสั่งสมมาไม่ใช่ใครสั่งสมให้อย่าไปคิดว่าเขายุให้เราฉุนเฉียวเครียดกราดอย่าคิดว่าเขายุเขาทําเราสั่งสมมาเนี่ย อย่าไปคิดว่าเขาเอาฟืนมาใส่ไฟให้กับเราเราเนี่ยใส่ไฟใส่ฟืนเอาเองเราโจดไปนอกตัวเราแก้อะไรไม่ได้สักอย่างบนโลกใบนี้เราโจดไปนอกตัวเราแก้อะไรไม่ได้สักอย่างโจดไม่ถูกโจดผิดที่โจดไม่ใช่ที่แก้โจดถูกที่โจดถูกที่แก้โจดมาที่ใจนี่ตัวเจ้าตัวจอมของปัญหา ปัญหาบนโลกใบนี้เกิดขึ้นจากเจ้าจอมตัวนี้ตัวอื่นไม่มีโจมมาที่นี่เราแก้ที่นี่เราแก้หมายความว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองพฤติกรรมที่เราเคยทำซ้ำๆทาซ้าๆทำด้วยความเลินเล่อทำด้วยความชอบใจพอใจแบบกิเลสมันก็สะสมมันสะสมของมันเองมันไม่ต่างอะไรกับเราสะสม กรรมกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเราสะสมไม่ใช่เราทําแล้วมันไม่สะสมไม่ใช่ทําแล้วระเหยหายเงียบไปเหมือนไอหนาไม่ใช่กรรมตกเป็นสมบัติของใครของเรากรรมสกโกมหิตกรมดายาโดมีกรรมเป็นทายาทกรรมโยนิมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมบรรทูมีกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมปฏิสานโนสารนา มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยพระรามาด้วยกรรมเราอยู่ด้วยกรรมแล้วเราก็จะไปด้วยกรรมเราพูดถึงกรรมเราอย่าไปมองเห็นว่าอะไรเป็นก้อนเป็นแท่งดําทะมุนทึนตามหลังระมาไม่ใช่คือพฤติกรรมทั้งที่เป็นของเก่าที่เราทําล่วงไปแล้วทั้งๆ้งที่เป็นของใหม่ที่เรากําลังทําอยู่ ทั้งที่เป็นของใหม่ที่เรากําลังจะทําประกอบพฤติกรรมคำะกรรมคำะกรรมก็คือกิริยาที่เราแสดงออกด้วยกายทางกายเป็นกายกรรมเราดูไปชัดท่านบอกว่าไม่ให้ฆ่าสัตว์นั่นแหะคือพฤติกรรมกิริยาที่แสดงออกฆ่าสัตว์ต้องมีพฤติกรรมรักทรัพย์ต้องมีพฤติกรรมพระพุติพิณายกรรมมีพฤติกรรมกรรมอย่างอื่นรายืนเดินนั่งนอนเป็นของกรรมทั้งหมด แต่มันไม่ใช่โทษมันไม่มีโทษมันไม่มีคู่กรณีเช่นอย่างเรามนุษย์หัวใจมนุษย์เขาก็มนุษย์หัวใจมนุษย์แสดงความไม่ดีต่อกันพับฆ่ากันเราฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราเขาเครียดให้เขาเราเครียดให้เขาเขาก็เครียดให้เราเรื่องของกรรมนี่มันตอบโต้นะทํายังไงตอบโต้อย่างนั้น เพราะมันเป็นกิิยามันเป็นปฏิกิิยาตอบโต้นี่เป็นการให้ผลของกรรมสิ่งที่เราควรศึกษาที่สุดคือเรื่องของกรรมคนที่ศึกษาเรื่องกรรมยอมรับเรื่องกรรมยอมรับพฤติกรรมของตัวเองมันพร้อมที่จะเข้าไปรู้เหตุผลตามหลังเอ๊เราเป็นนี้ด้วยเหตุใดเนาะเราเป็นนี้ด้วยเหตุใดเนาะเราเป็นนี้ด้เห็ุใด เ, าเนาะฉะนั้เ น, เ ร, เ, น, น, น, เ, น, นเราตั้งใจแก้มันจะไปแก้ยากอะไร นึนเมื่อเหตุมันเกิดกับเราหยุดโอยมันชงักงันยิ่งกว่าโควัคซินกันโควิดอีกนะสินห้าของพระเจา้าชงักงันมากกว่าฆ่าสัตว์หยุดไม่ฆ่าลักทรัพย์หยุดยื่นมือไปหยุดไหมชงักงันเลยไหมไม่เราพดผิดในการมเห็นผัวเห็นเมียของคนอื่นก็ต้องกระติ้งใส่เขานี่ผิด เขีนผิดธรรมหยุดหยุดได้เลยนะวัคซีนกันโควิดแน่นอนหรือไม่แน่นอนไม่รู้ถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้ใส่ไปใส่หาเรื่องไปเผื่อมันจะได้เรื่องนะอยากพูดหยาบอยากดาทองเงี้ยหยุดหยุดได้เลยนะนั่นไหมพฤติกรรมของเราเราหยุดได้ถ้าเป็นกองคนอื่นไปหยุดก็สิหยุดไม่ได้ดอก มียนายดๆยุยุดยุมันไม่หยุดออปากเขาเราดูสิผัวบนพื้นพรมพื้นพรมยุดปากเขาเขาไม่ยุดออกเหตุปัจจัยมันอยู่ที่เขาเราสามารถสัมรว์ระมัระวังกรรมของตัวเองได้เท่านั้นกรรมอื่นในเราทําได้ยากนอกจากคนมีบุญต่อกัน เป็นลูกเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเชื่อฟังเคารพนับถือซึ่งกันและกันเออแค่บอกได้เราเป็นแค่ประ ป, ระปัจจัยคือปัจจัยอื่นตัวอัตตา ป, ปัจจัยแท้ๆคือตัวเขาศูนย์ที่มันเกิดกรรมคืออะไรใจธาตุผู้รู้พูดกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชาติก็ไม่จบผู้เรื่องใจ เพราะตัวเดียวเนี่ยมันเป็นเจ้าเป็นจอมเราแบกทุกแบกโทษแบกบาปแบกกรรมตามมันตามความรู้อานาจของมันไม่มีจบไม่มีสิ้นต้องราวางะวังแท้ๆเร่องกรรมเรื่องกายกรรมเรืกิจกรรมมโนกรร ม, รรร ม, รรรมต้องอดเอาต้องทนเอาเคยแสดงกิริยาเป็นเหตุให้ผิดศีลข้อหนึ่งข้อ2องข้อสข้อสข้อหต้องอด ต้องเลิกต้องเว้นต้องหยุดเราไม่หยุดกรรมเรานะั้นมาสนองมนทับถมเราหัวใจของใครก็ตามถ้าหากถูกกรรมทับถมเนี่ยพี่จะหนักหนาสาหัสนหนักนวงทวงคิตใจอยู่อย่างนั้นแหละมืดทึบไปหมดแล้คิดไม่ออกหรอกเป็นทุกเป็นโทษกรรมมันทับกรรมมันทับคือพฤติกรรมของเราเองแหละมันทับไม่ใช่พฤติกรรมของใครทับนะ เอ๊ะทำไมจะไม่ใช่พฤติกรรมของคนอื่นทำงานกันนายนายกดขี่ข่มเหงเหลือเกินกดอย่างนั้นทวงอย่างนี้เอาเปรียบอย่างนั้นเอาเปรียบอย่างงี้ล้วก็ดูสินั่นพฤติกรรมของเขาไม่ใช่พฤติกรรมของเราเขามีอำนาจเขาก็สั่งเอาสั่งเอาเราทำตามได้เราก็ทำทำตามไม่ได้และไม่ชอบท ำ, ท, ำ <laughs> อทำไม่เปลี่ยนทำหนียังทำไม ฟืนไฟใกล้ฟืนใกล้ไฟอยู่ทําไมอ่ะอย่าไปอยู่ที่ใกล้ฟืนใกล้ไฟอยู่ทําไมหลบหนีเดี๋ยวได้พ่วงรางแหร่ร่างแหร่ต้องระวังเรื่องเหล่านี้ความเป็นอยู่ในโลกต้องฉลาดฉลาดด้วยคนอุบายวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งตามหน้าของกิเลสเป็นเรื่องไม่แน่นอนฉลาดตามอุบายวิธีของธรรมที่พุทธิยถาสอนนี่แน่นอนที่สุด ทำให้เรารู้จักเอาตัวรอดได้มันอย่างพวกเราอดมาทนเนี่ยอดทำไมทนทำไมอดเพื่อเราทนเพื่อเราเพื่อสามารถสร้างคุณงามความดีทำพฤติกรรมที่ดิบที่ดีให้กับเราทำไปแล้วไม่ตกปลึกไปไหนอยากได้มันก็ได้ไม่อยากได้มันก็ได้เพราะอะไรไม่อยากได้มันถึงได้เพราะเราทำเหตุไว้แล้ว ผลเราไม่ต้องเรียกร้องมันจะตามมาอย่างนั้นคนทําชั่วเขาจะไม่ได้ชั่วเลยถ้าคนไม่อยากได้แล้วก็มันก็ไม่ได้ไปปล้นไปขโมยไปจี้ไปโกงนู้นนี่พอเวลาเขาตามทันเห็นไหมเขาอยากได้ไหมเขาไม่อยากได้หรอกเขาบิดเขาเบี้ยวเขานุนเขานี่นนไม่คนเห็นเอาเงินเท่านั้นเท่านี้เขาต้องการไหมโทษตามมาเขาไม่ต้องการทำไมมันได้เพราะ เขาทำเหตุไว้แล้วทำเหตุไม่ดีผลไม่ดีต้องตามสนองผลมันสะท้อนกลับมันเป็นผลสะท้อนกลับเด้งกลับตีคืนไม่มีสิ่งใดที่มันจะไม่มีผลกระดอนกระเด้งใส่ไม่มีลองโยนก้อนหินลองโยนก้อนหินตั้ลงน้ำแรงสะท้อนของมันคืออะไรหนึ่งเสียง สองคลื่นคลื่นน้ําต้องคลื่นแรงใหญ่คลื่นลูกที่สองคลื่นลูกที่สามตีแล้วก็ไปถ้าเพื่อนน้ํามันกว้างะมันก็หายไปในน้ําเพราะมันหมดแรงซะก่อนการให้ผลข้องกรรมก็เช่นเดียวกันถ้าน้ํามันแคบๆเนี่ยมันก็ไปหายที่ฝั่งมันไปไหนไม่ได้เหตุปัจจัยมันตามกันไล่หลังกันมานั่นนึกคลื่นแรงสะท้อนของมัน พฤติกรรมที่กายของเรามีแรงสะท้อน ด, าาาดาาาา่าเขาเขาด่าเราเราฆ่าเขาเขากฆ่าเรายกตัวอย่างเห็นง่ายๆคือเห็นอย่างอดีตกรรมพระโมคคัลลานะฆ่าแม่ไหมฆ่าแม่จะถึงห้านาทีอะไรฆ่าแม่เท่ากับฆ่าตัวเองไม่ถึงห้านาทีทําไมกรรมมันให้ผลห้าร้อยชาติก็ยังไม่หมด เกิดชาไหนก็ถูกฆ่าเกิดชาไหนก็ถูกฆ่าเพราะกรรมนี้ให้ผลตามคุณค่าของของสิ่งของของค่าบิดามารดาค่าพระอรหันต์เนี่ยหนักเท่ากันอาวิชีมหานรกอดีตกรรมของพระโมคคัลลานะนอกจากลงอาวิชีมหานรกแล้วก็โผล่ขึ้นมาเกิดชาไหนก็ถูกฆ่าเกิดชาไหนไม่เคยตายเองตายเพราะถูกฆ่า ทารุณไหมตายเพราะถูกฆ่าทารุณทารุณกรรมตายเพราะถูกฆ่าเนี่ยทารุณมากแต่เรื่องของพฤติกรรมเรื่องของกรรมภายในใจของเราเราพร้อมที่จะพลิกเปลี่ยนได้ทุกระยะทุกขนะของจิตแต่กรรมที่เราทำล่วงไปแล้วยกเลิกไม่ได้กรรมไหนที่มันควรจ ะ, จะให้ผลมันตามให้ผลอยู่นั้นแหละกรรมไหนที่มันให้ผลจนเพียงพอนะ่ ตามกำลังของงานตามคุณค่าของงานที่เราทำมันก็จบลงได้มันก็หมดลงได้กลายเป็นอาโหาสิ ก, กรรมกรรมยิมย้มเล็กๆน้อยๆไม่พอจะตามให้ผลมันก็ไม่มีอะไรตามให้ผลเรื่องของกรรมมันจึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเราพูดอย่างนี้ให้เราน้อมมาที่กายที่วาจาที่ใจของเราเราสร้างเราทำเอาเองพฤติกรรมของใครของเราทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่ว เป็นหลักความจริงเป็นข้อเท็จจริงตรงแนวทำดีต้องได้ดีทำดีได้ไม่ดีมันไม่ตรงเหตุตรงผลเพราะมันไม่มีหลักธรรมชาติข้อเท็จจริงไม่เคยมีให้ผลผิดเพี้ยนไปจากเหตุและไม่มีเหตุใดๆก็ตามที่เราทำลงไปแล้วจะประสิทธิผลไม่มีผลหนักผลเบาผลยากผลง่ายผลนานผลอาโหสิกรรม ไปแล้วผลใดๆที่เกิดขึ้นที่เราได้รับอยู่จะไม่มีเหตุไม่มีจะต้องมีเหตุผลใดๆไม่ประสิทธ์จากเหตุเหตุใดๆไม่ประสิทธ์จากผลธรรมะของพระพุทธเจ้าแปดหมืสี่พันพระธรรมขันธ์สรุปลงมาได้เหตุกับผลเมืม่อเมื่อวางกับพูดมาหลายรอบอริยาาาสัจทั้งสี่นั่นแนหะ <c oughs> อริยาศาศาสัจทั้งสี่นั่นแหละคือเหตุกับผลสังขารร่างกายของเรา ทำไมมันถึงไม่อยู่เท่าเดิมก็เพราะมันเป็นเหตุกับผลเหตุขยายไปสู่ผลผลขยายไปสู่เหตุเหตุขยายไปสู่ผลก็ผลอันนั้นแหละมันตั้งตนเป็นเหตุขยายไปสู่ผ ล, ยยผลตั้งต้นเป็นเหตุขยายไปสู่ผลเหตุกับผลเหตุกับผลเหตุกับผลทุกขณะจิตร่างกายของเราไม่เคยมีนิ่งหยุดอยู่กับที่แม้แต่ประมณูอนูไม่เคยมีหยุดนิ่งอยู่กับที่ ถ้าเราตั้งใจจะดูจะพิจารณาเมื่ออย่างที่พุทธิเจ้าท่านสอนไม่มีอะไรคงที่ทุกขังต้องเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังมีเป็นภาวะที่พูดขึ้นมาแล้วมันเทือนหมดไตรโลกธาตุการมโลกรูปโลกอรูปโลกก็เทือนไปหมดคือพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตากระเทือนไปหมดอัตตาทําไมมถึงมีอัตตาอัตตาความสัมผัสมั่นหมายว่าเป็นตนทำไมมถึงมี พระใจมันเข้าข้างตัวเองมันติดสุขความยึดติดในความสุขเนี่ยจนพระหนึ่งกลายเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนแท้ที่จริงมันเป็นมายาหลอกเราเท่านั้นเองถ้าเราใช้ปัญญายยอนลี้ย่อนลงดูสักหน่อยหนึ่งมันก็ละลายได้เห็นแต่สภาวะธรรมความมีความเป็นอยู่เฉพาะหน้าเราอัตตาตัวเดียวมันผล่ขึ้นมาเนี่ยสระพัทุกตามา ไม่รู้จเจบไม่รู้จบสิ่นเพราะมีอัตตาแหละจึงมียินดีเพราะมีอัตตาน่ยจึงมียิรรนร้ายอัตตาอัตตามันปั้นน้ําเป็นตัวเองด้วยอํานาจที่จิตคือผู้รู้ของเรามันติดความสุขมันอยากเสพสุขความเห็นแก่ตัวเขามันเลยกลายเป็นตัวขึ้นมาไม่มีอะไรเป็นตัววิธีแก้มันจึงยากทำไมจึงยาก เราทุ ก, ทกพบทุกชาติเราก็ได้รับความรู้สึกอยู่อย่างนี้มันกลายเป็นสัญญาอารมณ์ที่เหนียวแน่นมั่นคงอยู่ในหัวใจของเรามันตกปลึกอยู่ในเบื้องลึกของหัวใจของเรามางครั้งเราอยู่ๆมื่อ็โผลขึ้นมาเขาเรียกว่าจิตสำนึกจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกเราไม่ได้ไปสัมผสัสรูปเสียงกลิน่นรสผลึะในขณะนั้นอ่ะอยู่ๆมันก็โผลขึ้นมาทํ่า ม, มันถึงโผลขึ้นมาก็เพราะมันมีมันสะสมอยู่ในใจ สัญญาอารมณ์สัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันทำงานยับยัยั บ, ยบพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันไม่มีก่อนไม่มีหน้าไม่มีหลังสังขารวิญญาณสังขารขันวิญญาณขันสัญญาขันสังขารขั น, ข น, ขนวิญญาณขัน ค, กก น, น, นความรู้สึกกเวทนาเวทนานความรู้สึก3ามสี่ตัวนี้เป็นกิริยาของผู้รู้ของใจ เป็นอาการของผู้รู้เป็นกิริยาของผู้รู้เป็นอาการของมันเมื่อคืนก็พยายามพูดไปแล้วอาการเหมือนอย่างอาการของไฟความสว่างอาการของไฟเสียงอย่างเงี้ยเป็นอาการของไฟมันมาจากไฟถ้าไม่มีไฟ่งกระแสไปไฟสว่างก็ไม่มีเสียงดังก็ไม่มีนี่เป็นอาการของมันตัวไฟแท้ๆเราสัมผัสไม่ได้ สัมผัสได้ถ้าเราจุดเทียนเป็นเปลวไฟนี่เอามือไปจี้เมาส์นั่นนั่นคือลักษณะของไฟใครยังไม่เข้าใจลองไปจุดดูนะล อ, ลองจุดแล้วจีลจ้ลองดูนี่ไฟจะแทะตัวไฟจะแทะไอ้ที่เราเห็นเปลวเทียนแรๆๆๆๆๆแน็พแร็พแร็พแร็พนั่นเป็นอาการของไฟตัวไฟจะแทะเนี่ยมันร้อนในขณะที่มันติดอยู่เยันอย่างเปลวเทียนในขณะที่มันจิต ติดอย่มันมีอะไรอยู่คองที่สักอันมีไหมไม่มีธาตุไฟมันก็กินไส้กินน้ำมันเดือดปัดปัดปัดปัดปดปดูใว้ชัดเจน่ะมันเดือดปัดปัดปดมันกินน้ำมันมีกิริยาใดบ้างที่อยู่นิ่งอยู่หยุดอยู่ก็ที่ไม่มีมันมีความร้อนได้มันมีความสว่างได้มันมีควันได้มันมีเสียงได้เหมือนกับมีเสียงเนี่ย ก็เพราะมันมีพลังงานถ้าไม่มีพลังงานามันก็ทำงานไม่ได้ทุกอย่างบนโลกไปนี้มีพลังงานเป็นพลังงานใจของเรามีอะไรเป็นพลังงานกรรมกรรมที่กำลังพูดอยู่นี่แหละเป็นพลังงานรับเคลื่อนไปผู้รู้สักแต่ว่าเหมือนรถกรรมเหมือนน้ามันทำให้เครื่องจากเครื่องยนต์เหล่านั้นเครื่องกลเหล่านั้น เคลื่อนไปได้ถ้าไม่มีน้ามันไปไม่ได้ท่านยังว่ากรรมเป็นเนื้อนาผู้ขับเคลื่อนกรรมมิยูวิญญาณเป็นพืชตัณหาเป็นยางเหนียวในพืชหรือเป็นยอดอ่อนของพืชนีพุดถ้าพูดเปรียบเทียบ กำลังเขตตังวิญญาณนางบีชังตันหา้าชินหโฮชินหะตัวที่ควบคุมกรรมอีกทีหนึ่งก็คือตันหาดูไปที่ตันหาในหัวใจของเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนดูตันหาในหัวใจของเราความอยากอยากพูดอยากคุยอยากลุกอยากพลิกอยากเปลี่ยนอยากอะไรต่ออะไรจับความอยาก หยาบยาประจับให้มันได้แล้วคอยไล่ต้นไปจับความอยากที่ละเอียดละเอียดลึกเข้าไปจนถึงนุ่นประเภทที่มันกระดุกกระดิ ก, กพลิกแผลเกี่ยวกับเรื่องการมาตัญหาภาวะตัญหากระดุกกระดิกพลิกแผลมาอย่างไรทันกระดุกกระดิกพลิกแผลมาอย่งไรท่านตามดูตามรู้ตา ม, ตามพิจารณาในสิ่งเหล่านั้นทําได้ทั้งวันมันเป็นภาคปฏิบัติทั้งวันด้วเหตุที่เราไม่เคยรู้มันี่ยมันได้ใจ มันก่อตัวจนเป็นตัวเป็นตนถ้าที่จริงเป็นไดอบายเป็นแต่มา ย, ยาคืออาการของมันมีอยู่เวลามันเกิดขึ้นย้อนมาดูเห็นอาการของความอยากคือตัณหาเป็นพลังที่ถูกขับเคลื่อนขับเคลื่อนใจขับเคลื่อนผู้รู้ไปด้วยพลังของกรรมแต่ตัวนี้เป็นตัวขับ <struggling> ถ้าจะเที่ยวขึ้นมาก็คนนะขับรถก็กินน้ํามันไป น้ำมันเป็นเชื้อเป็นพลังผู้ขับรถก็คือตันหาในใจของเราขับเคลื่อนกรรมพฤติกรรมที่ตันหามันยักย้ายผันแปรไปนั่นกิริยาอาการของมันคือกรรมกรรมมันแปลงกันนะโดยหลักธรรมชาติทําไปแล้วไม่เคยตกหายไปไหนจึงเป็นเรื่องที่น่าสังพันน่ากลัวที่สุดให้ผล รุนแรงร้ายกาดยิ่งกว่านิวเคลียรอนิวตรอนนิวเคลียรอนิวตรอนทําลายแล้วเฉพาะอัตราภาพร่างกายนี้เท่านั้นแต่อันนี้ทําลายล้างใจให้ผลตามให้ผลข้ามภพข้ามชาติดูสิเกิดชานี้ไปเกิดชาหน้ากรรมยังไม่หมดเล่นงานอีกเกิดชานี้ไปเกิดชาหน้ากรรมยังไม่หมดตามเล่นงานอีกในขีดมูลหน้าของกรรมเป็นเรื่องที่เราหน้าศึกษาใคร้ครวนที่สุด สำรวมระมัดระวังให้ได้ที่สุดใครสำรวมได้อยู่เย็นเป็นสุขใครสำรวมประมัดระมัดระวังไม่ได้ทุกต่อไปวันนี้พอสมควรแค่นี้พ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ระเขาไปบินตบาทนะ่พระาไปบินตบาท